ภิกษุทั้งหลายกรรมคุณห้าประการนี้กรรมคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาหน้าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมกูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น ห้ทาทัภพที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัด ก, กามคุณห้าประการนี้สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งฝ่ายฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่า สามนารามพวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ที่ถึงความเสื่อมความพินาศ ถูกในพรานเนื้อกระทำอะไรได้ตามใจชอบเมื่อในพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปไม่ได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกรรมคุณห้าประการบัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพรามพวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อม ความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบแต่สมณพราหม์หรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันไม่เห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกรรมคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณพราหม์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมความพินาศ ไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกในพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเมื่อในพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปตามปรารถนา แม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสรัดออกย่อมบริโภคกรรมคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพรามพวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศ ไม่ถูกมานใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบอนหนึ่งเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้พบกับในพรานเนื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสลัดจาักกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดคือทำลายดวงตาของมานอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายใน มีภาวะจิตหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขา มีสติเป็นสุขอยู่อีกประการหนึง่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุถชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกพิสุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอดคือทําลายดวงตาของมานอย่างไม่มีร่องรอย ถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดมานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกสุบรรลุอากาศานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เราเรียกภิกสุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอด คือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาศสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณนัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณนัญจายตนะฌาน โดยประการทั้งปวงภิกษุบาลุอักินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกําหนดว่าไม่มีอะไรอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยินิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอัศวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดคือเป็นผู้ที่มานใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายดวงตาของมานอย่างไม่มีร่องรอยเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกได้ย่อมวางใจ